بسم الله ا ل ر ح م ن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا ع للظالمين ى ا وصلي وسلم على أشرف الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى مديني ثم امبع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونجد سوريا ب ر ك ا تحو توانه กลาง ماييُنْتِعْ ب ن ا ه ช่วมีวี่น้องอาจจะได้ข่าวแล้วก็บานเราทำไมไม่ไม่ละหมาดก็ไม่เห็นไม่เห็นก็ไม่ละหมาดเพราท่านนบีุลต์ลอนุสัลต์บดีบอกว่าสอผู้ริารมุสลิมถ้าเรานูมูฟกูมิลามื่อพวกเจ้าได้เห็นมันเห็นเห็นการบังของของของดวงจันทร์ดวงจันทร์ที่มันบังดวงอาทิตย์บังแสงดวงอาทิตย์ ไ้เห็นมันก็จงลุกขึ้นละหมาดก็เหมือนฮะดีสของเมื่อเห็นเอ่ออิซรไุมูฟซมเมื่อได้เห็นมันก็คือดวงจันทร์ซมให้เสือเรื่องเดรัมองตอนั่นอีลาคุ้ดรัมมองสุรนุประจักษ์ก็มักจะเกิดขึ้นในปลายเดือนตามจนจนตระษคติ ฉนันเอานี้วันที่ยี่สิบเก้าร بيع เดือนออลถเป็นสิ้นเดือนว่าหลังสุรยิยบรรคาเนี่ยก็จะเกิดนิวมูลเดือนใหม่ก็จะเกิดขึ้นนิวโมลที่แล้วจะเกิดขึ้นแมันเกิดขึ้นมันก็ต้องใช้เวลากว่าจะปรากฏก็ต้องหนาหน่อยหรือถ้าแรกเกิดเนี่ยไม่ค่อยมีใครเห็น นักดาราศาสตร์ส่วนมากบอกว่าต้องต้องมีอายุไม่ต่ำกว่าสิบห้าชั่วโมงแต่มีนักดราศาสตร์บางท่านนี่ที่บอกว่าสงชั่วโมงก็พอเห็นได้และมีการมีปรากฏการที่เห็นได้โดยสายตานะแต่ส่วนมากเขาบอกว่าเห็นไม่ได้นี่เพราะมันบางมากแล้วก็ถ้ามันบางมากมุมองศาของแสงดวงดวงอาทิตย์เนี่ยมันมีเพียงพอ แ้วแต่แสงมันไม่เพียงพอนี่ยสะท้อนการสะท้อนแสงนะเพราะดวงจันทร์อีกแล้วเนี่มันก็คือคือตัวดวงจันทร์เนี่ยมันมันไม่มีแสงฮะมันรับแสงจากดวงอาทิตย์แต่แสงมันไม่พอถ้าแสงมันไม่พอก็ไม่มองแทบไม่เห็นยิ่งถ้าแสงของมันเนี่ยมันเป็นเสี้ยวที่เล็กมากมาถูกก่อกวนด้วยแสงอื่นๆกว่าจะถึงสายตาของผู้คนที่อยู่ในโลกเนี่ย มันก็อาจจะยากแต่วันนี้เนี่ยก็เป็นวันที่สิบเกา้าในที่เขาดูเดือนกันทั่วโลกนะครับก็มีสิทธิ์แสิทธิ์น้อยนะครับที่อาจจะเห็นต่วันออกกลางเนี่ยเขาก็ได้เห็นแต่มันเป็นไม่ได้เป็นสุรยิยะพระคาร์เต็มเต็มดวงเป็นบางส่นวนก็เรียกกุสุฟยุสอบางส่วนสุริยะพระคาร์บางส่วนซึาางน่งจะเห็น ดวงดวงจันทร์นี่มันบางบางส่วนของดวงอาทิตย์ไม่ได้บังทั้งดวงก็างนานๆจะมีทีนะครับสิ ร, ระราคาเดย์จะรับราคานี่ก็จะนี่นานจะมีทีจะมีสุริราคาอีกอีกอีกครั้งหนึ่งปีเนี้ยนูนะ่นอะไปลายเมษาเมษาปีหน้าซึ่งคาดว่าจะเป็นช่วงท้ายดุริมออน ตตามของเดือน رمضان ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเดือนร م ض ا ن นี้จะมีการละบากุุฟในช่วงกลางวันนี้ก็ติดตามใกล้ใกล้ชิดดยเตือนอีกที่หนึ่งที่ที่แล้วเราได้ถึงอายะที่อายะที่สิบสามนะสิบสอง و َ إ ِ ن َّ ك َ ث ُ و ا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ و َ طَاعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُ أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أ َ ي ْ م َ ا ن َ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُ و سَمِّيْتَهُمْ و َ إ ِ ن َّ ك َ ث ُ و ا أَيْمَانَهُمْ لَتَهَاجَّ حُوَكْهَاوَ تَمْلَائِ كَامْسَنْيَةٍ ك َ و ْ ح َ ه ُ م و َ إ อะไก็ตาลยกนี่ยผมัตว์ธรม ا ن นยาะว่าสาเอกวจนอ إ ي ا ن เนี่ยพระหุพจน์นเพียงอักษรเดียวเนี่ยเปลี่ยนไป إ ي م เนี่ยเป็นพระหุพจน์ของคาว่าเยเมนเยเมน เยมีนมีสองความมายมีนแปลว่ามือขวาเยมีนในความหมายหนึ่งเยมีนเนี่ยแปลว่าสาบานหรือคำสัญญาคําสาบานหรือคำสัญญาคาือเยมีนพรตอนก่อนนั้นเวลาเขาสัญญาหรือสาบานเนี่ยเขาจะเขาจะยกมือฉันขอสาบานบ้านเราทําอะไรไม่รู้ผมไม่รู้ทำไมต้องเศรนี่มไม่เข้าใจ แต่เห็นเขาทำกันบางคัสาบัานทำต้องซนิว้วเหรอแล้วก็มีอะไรยกมือเนี่ยมีมีนะแต่สา บ, บานสถาบันสัญญาอนะ่ะบางทีเนี่ถ้าสัญญานี่ก็จับมือกันเลยกับบุคคลที่เราจะสัญญาก็าจับมือจึงจรงเรียกว่าเยมีนเยมีนเรียกว่าสัญญาหลายคําสัญญาหลายคําสาบานเนี่ยเรียกว่าไอมาน เราบอกว่าถ้าหากว่าพวกเขาได้ทําลายคําสัญญาของพวกเขาแสดงว่าเขามีไอ้มานมีสัญญาเยอะที่เขาได้บิดเบี้วกับท่านนาบีสุลต่าละฮ์วะเลวิสละก็จริงได้สัญญ า, า, ส, ญญาสัญญาว่าจะศรัทธาจะทําทอย่างงูนทําอย่างนี้สัญญาว่าจะศรัทธาถ้าได้แยกดวงจันทร์ให้เป็นเป็นสองส่วนอย่างเงี้ยจนท่านนาบีขอดูอาให้เอาร้อแยกให้เห็นปกเขาอยู่ระหว่างปกเขาอยู่ แยกระหว่างสองส่วนของดวงจันทร์ก็ไม่ได้สัตย์บอกว่า น, นี้เป็นนบีเล่นของเล่นสียศาสตร์สัญญาว่าเขาจะทําดีทําอย่างโน้นอย่างนี้ท่านาบีไม่ทําแบบนี้ท่านนาบีทําตามนั่นก็ไม่ได้ทําสัญญาว่าเขาจะไม่รุกรานหรือร่งแกท่านนาบีสุลต่านละออุลัยอัสสลัมท่านนบีขออุทิศให้ ความแห้งแรงพรอนบีมีอยู่ครั้งหนึ่งถูกต่อต้านจนนบีจนนบีเ น, น, นี่ยขอดุอาให้อลลอฮลงโทษเขาจนกระทั่งแหง้งแรงเจอไปแหง้งแรงนบีก็ขอด้วยอาให้อลลอฮได้ช่วยเหลือเขาอ่าพอช่วยเหลือเขาแล้วก็ไม่ได้สัทตาไม่ได้สัทตามิสตาไม่มิสตาุมามะอิบนะอัลผูู้นำเพ่า ในตำบลนัจซึ่งตอนนั้นน่ะนัจเป็นพื้นที่ที่ปลูกพืชผลโดยเฉพาะข้าวสาลีคนที่อยู่มักการมาดินาเนี่ยเขาจะอาศัยซื้อเขาซื้อข้าวสาลีเนี่ยจากตำบลนัจเนี่ยซึ่งอุซามะอับบินเนาะซลเนี่ยเป็นเจ้าทินนะเป็นแล้วอุซามะนี่ถูกจับเป็นเชลย านบนบีมามาผูกมัดในมัสซิดนี่ให้เห็นวิถีชีวิตจนสุดท้ายนี่ผ่านไปสามวันสาคืนนี่รับอิสลามรับอิสลามแล้วบอกว่าไม่มีเข้าสาลีแม้มแต่มาเล็ดเดียวเนี่ยที่จะขายให้ชาวมักกะจนกว่าจะต้องสยบยอ ม, ยอมท่านนบนีบนบ ก็ประกาศไม่ขายนะกูได้ก็ตงวิ่งไปหาไปขอร้องท่านนบีอกก็ยาเลอะยาเลไม่มีจะกินเออแล้วก่อนน้นเขาสลีนี่ก็เป็นอาหารหลักมาไหนท่าไหนแล้วนบีช่วยบอกสุมาไว้เป็อาซานหน่อยว่าอย่าอย่าบอยขอดเราเลยแล้วเราจะไม่นบีก็ เปิไฟเขียวอาขายเขาขายเขาก็ยังไม่เลิกในการที่จะต่อต้านท่านนบีสุลต่านในสถานนี้สัญญาสาบานรับประกไม่รู้กี่รอบแล้วว่าอินนักสุอิมานะฮ์มินบัดอีเหตุมินบัดอีเหตุมภายหลังจากที่พวกเขาได้ทําสัญญาไว้ เห็นกสูตรทหากว่าพวกเขาได้ทําลายสัญเนี่ยทำลายในกลางบิดพิวอนะ่ะเิดพิวทําสัญเนี่ยทำลายสัญญาของพวกเขาหลังจากที่พวกเขาได้ทําสัญญาไว้คือแปลแปลอย่างนี้เนี่ยก็อ่ากูเตรีนี่เนี่ยในฟุตโนตนี่เขาก็บอกว่าแปลแบบนี้เนี่ยก็สำนวนแบบภาษาไทยที่ดีแล้วที่ดีที่สุดแล้วเพราะถ้าแปลตามทับศัพท์เนี่ย หากพวกเขาได้ทำลายสัญญาของพวกเขาหลังจากสัญญาของพวกเขาอันนี้ตามตามความสัมพ์บินบาายาดิมหลังจากสัญญาของพวกเขาซึ่งถ้าแปลตามนี้แล้วตามทัศัพท์นะมันก็จะมันก็จะไม่ใช่ภาษาไทยเลยและนี่คนที่ผมบอกกันก็ต้งแต้แรกแล้วมีหลายเรื่อ ง, องเช่นอายะเนี่ยอันไหนอะ ใช่ไหมที่เคยบอกกับพี่น้องว่าบางทีนี่อธิบายจะแปลเป็นภาษาเป็นภาษาไทยเนี่ยมันก็ต้องมันก็ต้องเอาเนื้อหาไม่ใช่เอาไม่ใช่ตามตามทับศัพท์ไปเลยนะมันจะยากก็เลยต้องมินบ้าดียดีมหลังจากสัญญาของพวกเขาว่ามันจะซ้ําอะมันจะซ้ํำหลายรอบก็เลยต้องแปลว่าหลัง หลังจากที่พวกเขาได้ทําสัญญาไว้ที่จริงแล้วถ้าจะเอาแบบสวยงามที่สุดเนี่ยคำคำว่าสัญญาเนี่ยไม่ต้องพูดเป็นที่เข้าใจและถ้าหากพวกเขาทําลายคําสัญญาของพวกเขาหลังจากที่พวกเขาได้ทําไว้ก็เข้าใจเขาทําอะไรก็ทําสัญญาไงเพราะเพราะมันมีเรื่องของสัญญาพูดอยู่ แต่นี้มามาใช้คำว่าสัญญาหลายหลายรอบนี่มันก็ไม่ค่อยไม่ค่อยสวยงามนะครับแสดงว่าอัลลอฮฺซุหานาอิลากำลังจะพูดถึงเหตุผลที่จะให้ชาวมดีนานี่ผู้ศรัทธาที่มดีนาเนี่ยได้เข้าใจบทบัญติข้างต้นของสุรัตตอัตบ้านี่ที่อัลลอฮให้ประกาศสงครามกับคนที่ต่อต้านศาสนานี่ เหตุผลหนึ่งก็คือเขาทําลายสัญญาทุกสัญญาไม่ไม่เป็นที่ไว้วางใจแล้วอ่ะคนเราอยู่ด้วยกันน่ะนะอยู่ด้วยกันเนี่ยเพราะต้องมีความไว้วางใจทุกทุกทุกกรณีเลยทุกกรณีเลยสามีกับภรรยาอยู่ด้วยกันต้องไว้ใจกันคู่สัญญาทําธุรกิจทําอะไรก็ตามไปด้วยกันก็พอไวไว้วางใจแค่เรียกแท็กซี่นี่ยอมขึ้นแท็กซี่นี่พอไว้ใจ แต่มีพิรุธอะไรนนัเราก็เราก็มีอยู่ร่วมกับเขาแน่นอนนี่นี่อยู่อยู่อยู่กันสิบปีแล้วเนี่ยท่านนบีกับผู้ที่ต่อต้านศาสนานี่อยู่กันเป็สิบปีแล้วสัญญาแล้วสัญญาแล้วแล้วทุกสัญญานี่ก็บิดพบี้วนบีก็ให้โอกาสนบีทวนมากกว่านั้นน่นวะต้านูฟีดีนีคุมตานู ต้านูใส่ร้ายฟีดีนิคุมใส่ร้ายในศาสนาของพวกเจ้าแล้วใส่ผิดสาบานผิดสัญญาแล้วก็ใส่ร้ายศาสนาก็คือใส่ร้ายท่านนาบีใส่ร้ายท่านนาบีใสารายกุรานว่าท่านนาบีว่าเป็นคนบ้าว่าท่านนาบีเป็นนักเสียส า, ยารว่ากุรานเนี่ยเป็นบทสวดบทสวดของพวกหมอดูบทสวดของ ของนักเสียสัตว์อันนี้เป็นการใส่ร้ายใส่ร้ายนบีและสามะฮ์วาสร้างความแตกแยกสร้างความแตกแยกช่างชาติไม่รักแผ่นดินข้อนี้ ม, น ม, นนมนันมันเป็นมันเป็นมันเป็นข้อหากึ่งสำเร็จรูปมีมีมหอหอไว้ใช้ไว้ทุกทุกเมื่อ ไม่ชอบใครเมื่อไม่รักชาติไม่ไม่รักแผ่นดินไม่ไม่กระตันยูเมื่อเราจะสังเกตว่าคนที่จะตั้งคอสวนมากคนที่จะตั้งข้อหาเนี่ยบุคคลที่เป็นผู้นําแล้วจะเป็นอีกข้อสังเกตหนึ่งแล้วว่าคนที่ตั้งข้อข้อหาแบบเนี้ไม่อยากคุยไม่ไม่ไม่กล้าคุยไม่กล้า สนทนาพูดคุยเจรจาแลกเปลี่ยนให้คนได้รับรู้เออเราก็มีปัญญาเราก็มีเหตุผลเราก็อะไนี่ไม่พูดบางานูฟีดีนีกุมงก็จะใส่ร้ายอย่างเดียวแล้วถ้ามีใครมามาตาแก้ต่างในคําใส่ร้า ย, ายวันที่ใส่ร้านี่มันไม่ใช่ก็จะไม่ฟังแล้วก็ไม่ให้โอกาสที่จะฟัง แล้วจะโดนโดนโกล่าวหากล่าวหาย้อนเลยว่าหมายถึงว่าเวลาใส่ราาา้ายเนี่ยโอ้ยนี่ใส่ร้ายทำไมทําไมใสาร่ร้แบบนี้มันไม่ใช่มันไม่ถูกต้องเอ้ยทำไมทุกคนนพูดมีสระเสะรีภาพทําไมจะไปห้ามทําไมจะห้ามเราคนที่จะปกป้องตัวเองกลายเป็นคนที่ริดรอนสิทธิเสรีภาพเหมือนคนที่ใส่ร้ายท่านนบีในยุคปัจจุบันลบหลูท่านนบี ลบหลู่ท่านบีเอาเรื่องไร้นะเรื่องเรื่องเรื่องอปโลกมาใส่ร้ายศาสนาใส่ร้ายพอออกมาประท้วงอ้สิทธิเสรีภาพกล่าวคือสิทธิเสริิเสรีภาพในการใส่ร้ายใช่ไหสิทธิเสรีภาพในการในการลบหลู่เหยียดหยามเสียสีผู้อื่นใช่ไหการ ลบหลู่ศาสนาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในศาสนานี่ไม่มีมาตราใดาๆที่จะคุ้มครองเลยนะเป็นเรื่องที่ง่ายที่สุดสะดวกที่สุดถูกที่สุดที่จะลบหลู่ใส่ร้ายนันก็นคือเรื่องศาสนาแลวเป็นผู้นำประเทศละ่ะเป็นคนเป็นบุคคลสำคัญละ่ะมีกฎหมายรองรับ กฎหมายรองรับเนี่ยเฉพาะเลยนะสำหรับผู้นําประเทศเน่ยเฉพาะเลยนะอาจจะเป็นบุคคลทั่วไป ถ, ถึงจะดังหน่อยนะตัวมีมินประมาทมินประมาทอา้าวตอนนี้มินประมาทศาสนาใช่แต่ตัวเองไม่มีสิทธิ์ที่จะอ้างว่าเสียหายไม่มีกฎหมายโอ้ฉันจะเสียหายมินประมาทนี่ถ้าบุคคลบุคคลที่มีตัวตนเสียหายหรือนิติบุคคล แต่ใครจะมาแอ บ, บอ้างว่าเขาเป็นนิติบุคคลของศาสนาทั้งศาสนาทั้งพวงนี่ศาลไม่รับฟ้องบางคนลุบลูศาสนาแล้วก็ไปฟ้องเขาหมิ่นประมาทศาลไม่รับฟ้องทําไมอ่ะเราไม่เราเร า, เร า, เราไม่ได้เป็นตัวแทนศาสนาไม่ได้เป็นตัวแทนศาสนาแล้วใครเป็นตัวแทนศาสนาองค์กรที่น่าจะเป็นตัวแทนศาสนาน่าจะออกออกไหมไม่ออกเพราะองค์กรใหญ่ๆนี่ก็กลัวจะโดนข้อหาว่า เอ่อกิจกั้นเสรีภาพอะไรนะสารบัมันจะเพิ่มข้อหายคือเรากำลังปกป้องกันรนี่ยนี่ ด, ด, ด, ดอยข้อหาหนึ่งนี่เป็นตน้นนี่สองเหตุผลที่อัลลอได้บอกดูจะมีหลังไอนี่ก็จะมีเหตุผลอีกสองเหตุผลนี่ให้ให้ได้รำลึกถึงเรื่องที่มันเกิดขึ้นในอดีตจะได้วางมาตรการที่จะประพฤติปฏิบัติกับ ศัตรูที่กําลังมุ่งทำลายอันนี้พูดถึงสมัยนน้นนะนะสมัยท่านนาบีสุตลสตาล่านของอาเลยุสเซลัมทีม่ได้ตั้งรัฐอิสลามแล้วแล้วก็ศัตรูอิสลามที่ล้อมท่านนบีจากทั่วคาบสมุทรอาหรับนี่เราก็ไม่ไม่มันไม่มันไม่เวิร์กแล้วอะไม่มีผลแล้วสบัดอดทนให้โอกาสนีเยอะแล้วต่อไปนี้เนี่ยต่อไปนี้เนี่ยก็ต้อง ก็ต้องใช้ก็ต้องใช้กฎหมายบังคับและใครที่ไม่ยอมสยบกับกฎหมายก็ก็ให้อำนาจของกฎหมายเนี่ยเป็นชี้ชะตาถ้าหากว่าผิดคำสัญญาแล้วก็ใส่ร้ายศาสนาฝ่ากฏติล อ, อัเอมตะลุฟรี ก็ต่อสู้บรรดาผู้นําแห่งการปฏิเสธสัทธาเทิดก่อทิลูก่อทิลูแปลว่าจงต่อสู้ก่อทิลูไม่ใช่อุกตุลูห่างกันนะสองกริยานี้ไม่เหมือนกันก่อทิลูต่อสู้คือมีการต่อสู้ซึ่งกันและกันแต่ถ้าอุกตุลูนี่จงฆ่าเลยนะแต่ในศาสนานี้ไม่มีนะในกุณอ่านนี้ไม่มีนะครับว่าจงฆ่าใครที่ทํางนี้ก็จงฆ่าอย่างนี้ไม่มี ฟะติลูตุนทัศน์จะร่างการิยาแบเนียอิมาอุลเดมีอานีได้บอกว่าเป็นหลักการศาสนาที่บริจาคในคุรานว่าการเข้นฆ่าในในอิสลามจะไม่เป็นคําสั่งให้มุสลิมเนี่ยเป็นผู้ริเริ่มริเริ่มไปสังหารซะไปฆ่าซะเริ่มไปได้ไม่มี และไม่เป็นที่อนุญาตมุสลิมเนี่ยจะมาถึงจุดที่จะต้องใช้อาวุธหรือความรุนแรงในการในการประหัตประหารชีวิตของคนอื่นเนี่ยต่อเมื่อเขาอยู่ในสภาพที่อันตรายถึงชีวิตของเขาจึงต้องใช้วิธีต่อสู้โดยที่การฆ่าผู้อื่นคือประหารชีวิตคนอื่นเนี่ยไม่ได้เป็นเป้าหมายนะเป้าหมายนี่ไม่ใช่ฆ่านะเป้าหมายคือป้องกันแต่ถ้าป้องกันเนี่ยมันไม่ มันไม่บรรลุจนกว่าจะต้องฆ่าคนอื่นการฆ่านี่จึงมีความชอบแต่เริ่มเนี่ยเริ่มไปฆ่าเขาอยู่เฉยๆอย่างเงี้ยแล้วก็เราไม่มีอะไรมีปัญหาอะไรกันเลยอยู่เฉยๆในี่จริงแม้ว่าเขาประกาศเป็นศัตรูแต่เขาไม่ได้เป็นอันตรายเขาไม่ได้ถืออาวุธมามาทำร้ายเราเนี่ยบุตรเมีเบอกว่านี่นี่คือนี่คือจิตวิญ ญ, ญาณของ บทบัญญัติทั้งหลายที่อยู่ในกุรานไม่ให้เริ่มผู้อื่นในการประกาศสงครามหรือการเข็นฆ่าจนกว่าตกอยู่จนกว่ามุสลิมหรืตกอยู่ในสภาวะหรือในสภาพที่เสี่ยงต่อชีวิตถึงจะป้องกันชีวิตของตัวเองได้ด้วยการต่อสู้โดยไม่ให้การเข็นฆ่าหรือสังหารหรือประหารชีวิตเนี่ยเป็นเป้เปาหมายในการต่อสู้ กติลูจงต่อสู้อิมม่าออิหมานิบาบุพุทธเอกพุทธของออิมมานี่ก็คืออิหมามอิหมัมอิหม่าัลกูฟูผู้นำผู้นำของกุฟูรือผู้นำแห่งการปฏิเสธธรรมอ๋อแสดงว่าคําว่าอิหมัมนี่อิหมัมนี่ก็มีหลายรูปแบบเหมือนกันอ่าผู้นำแห่งการก็เป็นอีกเขาก็เป็นต่างคนเป็นอิหมัมอ่ะอิหมัม อมะว่าอ ม, อมผู้นำผู้นำและนี่เป็นการชี้ชัดชี้ชัดว่าทิศทางของมวลชนน่มันวัดที่ไหนอะวัดที่ผู้นำพอเราบอกว่าให้ต่อสู้กับผู้นำเพราะบางทีอาจมีมวลชนที่ไม่ค่อยเห็นด้วยกับผู้นำ มือนชาวมักกานี่ท่าทีของนักอถธิบายอัลกุรอานส่วนมากนี่บ่ะว่าอาญานี้ที่อัลลอฮ์ได้สั่งให้ต่อสู้กับผู้นําแห่งการปฏิสถานนี่ก็คืออุมัยอับดุลขลัฟอบูซุฟยานตอนที่เขาเป็นผู้นําของมุสลินที่มักกะนีเนยผู้นำเอ้าแล้วก็ต่อสู้กับผู้นําแห่งการปฏิสถานแล้วไม่ได้ต่อสู้กับผู้บฏิสถานด้วยล่ะ คือมันก็ต้องต่อสู้แหละแต่เรากำลัลงบอกว่าที่จริงเนี่ยผู้ปฏิสัธาที่เป็นชาวบ้านชาวบ้านนะจํานวนไม่น้อยนะครับที่เขาไม่สามารถกําหนดชะตากรรมของขอ ง, ของเขาเองได้ขึ้นอยู่กับผู้นำพระท่นนานอะบิสซาลลัลลอฮุอะลัยซัลลัมใน hadis บอกดิ้งบอกว่าอันาสูอะลาดีนมุลูกิฮิมมุนชุนภาษาชาติมวลชนทั้งหลายเนี่ยศาสนาของเขานี่นะขึ้นอยู่กับศาสนาของผู้นําของเขา ศา ส, สนาของชาวบ้านนั้นก็ขึ้นอยู่กับศาสนาของผู้นําอันนี้เรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงคนส่วนมา ก, ก น, นะก็จะตามผู้นําและผู้นาเขาจะเป็นผู้นําเนี่ยเพราะเขามีอํานาจมีมีทรัพ ส, ส, สินมีอํานาจมีทรัพสินสิ่งอํานวย อำนวยความสะดวกอำนวยความสุขต่างๆและชาวบ้านต้องการอะไรนอกจากนอกจากสามสิ่งเหล่านี้ต้องการอำนาจต้องการทรัพย์สิสนต้องการสิ่งอำนวยความสุขความสะดวกทั้งหลายถ้ามีใครให้หนะ อ, อ, อันนะเขาก็ยอมเขาก็เขาก็ยอมมีอุลมะบางท่านที่ได้ที่บายอ้ญานี้ FAQ ที่ลู่จง่อสูผู้นำแห่งการปฏิสิทธ์เพราะว่าอายานี้ทัศนนี้มีรายงานจากท่านอาลีเนือมตองอายานี้ยังไม่ได้ถูกปฏิบัติก็คือผู้นำแห่งการปฏิสิทธิ์ศรัทธานี่ยังไม่ปรากฏอายานี้ยังไม่ได้ถูกใช้แต่ในยุคของสหบาลเนี่ยหลังจากนบีเสียชีวิตแล้วเนี่ยมันเกิด กลุ่มนึงชื่อวาริชเนี่ยวาริเนี่ยที่เขาเคร่งคัดศาสนาสุดโต่งเลยเถิดถึงขนาดที่เขากล่าวหาสาบ้านนิวตกศาสนากันหมดเลยนะก็มีกลุ่มขวาริคนหนึ่งเนี่ยได้เจอซาดบนาอับีวกาซึ่งเป็นสหายรุนบุกเบิกรุนบุกเบิก มาเจอกับข่าวรีตคนหนึ่งเข่าวรีตคนนี้ว่านี่ไงกอติลุยมตุลกุลเนี่ให้ต่อสู้กับผู้นําแห่งปฏิสัทธาและชิถึงซาดิมกัสบินซาบาอุโซซาดิมีกัสบอก็คือขบแตเจ้านี่แหละที่เคยต่อสู้กับผู้นําแห่งการปฏิสัทธาก็คือพวกกุฟาลของของมักกะฉันนี่แหละที่ต่อสู้กับไม่ใช่ฉันเนี่ยไม่ใช่ผู้นำปฏิสัทธาแต่นี่คือ การหลงผิดของพวกควาริชเนี่ยที่มองมุสลิมเนี่ยเหมือนเป็นกาเฟตมองมุสลิมแบบนเหมือนกาฟตและคนที่มีลักษณะเหมือนควาริชเนี่ยก็คือตั้งข้อหากับมุสลิมทมุสลิมแทบทุกคนนะว่ามีลักษณะเหมือนกาเฟตคนที่ทำแบบนี้คนที่ทำแบบนี้ ตั้งข้อหาใส่ร้ายผู้อื่นว่าเหมือนกาเฟตหรือเป็นกาเฟตบ่อยครั้งโดยไม่มีเหตุผลคนเหล่านี้ก็มีลักษณะเหมือนขวาริจขวาริจนี่เห็นว่าตัวเองเป็นมุสลิมสุดยอดอยู่กลุ่มเดียวคนอื่นไม่ใช่ตัวเองที่เข้าใจคุรานอยู่คนเดียวคนอื่นไม่ใช่ตัวเองที่เข่งศาสนาอยู่คนเดียวคนอื่นไม่ใช่ ตัวเองที่ต้องปกป้องอิสลามอยู่คนเดียวคนอื่นนี่ไม่ใช่นี่คือลักษณะของขาวไดิจ้ะตามพฤติกรรมของเขานี่สมัยสมัยท่านอลีบดอลบียตลิบแล้ก็สหายหลังจากท่านอบิเสียชีวิตเนี่ยพวกนี้เนี่ยเขาเขามองว่าสหาบ้านี่ปกป้องไม่ดารงศาสนาให้ถูกต้องที่สุดนี่ จะมีคนที่มีความคิดมีความเข้าใจเหมือนเหมือนคอราริในยุคปัจจุบันมองผู้นำมองศา ส, ะสะนามองผู้นำศาสนามองอุลามามองถึงคนอื่นคนทั่วไปเนี่ยว่าเป็นแบบนี้อันนี้ก็ต้องต้องต้องระวังคนเหล่านี้อัลลอฮฺบอกว่าคนเหล่านี้เนี่ยที่ได้บิดผิวทำลายสัญญา คำสัญญามั่นและใส่ร้ายเนี่ยพวกนี้เนี่ยอินนั่หุมและไอแม่นั่งหุมแท้จริงพวกเขานั้นหาได้มีคํามั่นสัญญาใดๆแก่พวกเขาไม่หมายถึงว่าเขาไม่มีคําสัญญาที่น่าเคารพคําสัญญาที่ใช้โดยไปยลินเนี่ยไม่น่าเคารพเพราะเขาไม่เคยรักษาสัญญานเนยแล้วแล้ไม่มี ไอ้มานะ่ก็คือคำสัญญาของเราไม่มีแล้วอัลละฮุมยันตะฮนให้เราได้คิดไประองแบบนี้ให้ดีเพื่อว่าพวกเขาจะหยุดยัง้งหยุดยั้งในการในการกระทาของเขานี่ก็คือคาผิดสัญญาสัญญามัน่นในการใส่ร้ายศาสนาอายาน้ยนี้อิหม่ามูดายมีอได้อบยกมาอ้างเป็นหลักฐาน สำคัญสําหรับหลักการว่าด้วยคนที่ลบหลู่ท่านนบีสุลต่านละฮ์วะลาอิฮ์สัลลัมคนที่ลบหลู่ท่านนบีสุลต่าละฮ์วะลาอิฮ์สัลลัมหรือลบหลู่ศาสนานี่หลักการของเขานี่ก็ประหารชีวิตถ้าเขาเหล่านั้นเน่ยอยู่ในรัฐอิสลามอยู่ในรัฐอิสลามอยู่ภายใต้การปกครองของรัฐอิสลามเนี่ยก็ประหารชีวิตถ้าเป็นมุสลิมถ้าเป็นมุสลิม และลบหลูท่านนบีสั่อิสลามเนี่ยสั่อิสลามเนี وت, ่ยก็จะมีอิสติตะบะอิสติตะบะนี त, ่ก็ให้เข้าทาบัตรตัวไม่ทำบัตรตัวนี่ก็ประหารชีวิตแต่แต่ถ้าอยู่ในอยู่ในรัฐอิสลามถ้าไม่ได้เป็นมุสลิมเช่นเป็นยอหูเป็นนอซอร์เราแล้วไม่อยู่ในรัฐอิสลามนะคำใส่ร้ายของเขาเนี่ยลบหลูเขาเนี่ยก็ถือว่าเป็นการบิดพิ้ว คำสัญญาสันติภาพที่มีระหว่างเขากับรัฐอิสลามและฮูกูมุงเขานี่หลักการเขานี่คือประหารชีวิตเช่นเดียวกันแล้วถ้าคนที่ลบลู่นี่ไม่ได้คนที่อยู่ในรัฐอิสลามเนี่ยเป็นคนอื่นที่อยู่ในรัฐอื่นที่ไม่ใช่รัฐอิสลามละการศาสนาก็คือให้ประกาศสงครามกับรัฐ ไม่ใช่มุสลิมมาหนาที่มีคนลบหลู่ท่านนบีสุลตานอะไรสักเล็บจนกว่าจนกว่าจะยุติการลบหลู่หรือการใส่ร้ายศาสนามาจากไหนอ่ะฝ่าิลูอัลมัตวะตานุวะตานุฟีดีนซัยไรศาสนาโเจ่าฝ่าดิลูก็จงตั้งชูในหนังสืออัลซาริมุลมาสลูละลาชาติมิรรูลอัลซารมซารมเป็นวัดับอัลมาสลูลที่ถูกชักแล้วเนี่ย อาลชาที่มีระดูต่อคนที่ลบลูถท่านระดูหนังสือเล่มหนึ่งปึ้งแค่นี้นะเขียนไว้เพื่อตอบโต้อุลามาในยุคของท่านเนี่ยซึ่งมีคริสตคนหนึ่งที่อยู่ที่เมืองชามะนะได้ลบลูท่านนบีสุลลัลละอออุลัยสแลมลบลูท่านนบีสุลลัลละอออุลัยสลมก็เลยมีคนก็รายงานที่ศาล พอรายงานที่ศาลนี่ไอคนเนี้ยไอคริสเนี ย, อนนยพอรู้แล้วนี่ว่าไม่รอดก็เลยรับอิสลามพอรับอิสลามแล้วอ่ะนะกับ้นโทษผลโทษบอกอิสลามนี่ก็ลบล้างทุกอย่างพอพ้นโทษเสร็จแล้วอ่ะนะก็กลับไปคริสต์อีแบบนี้ก็บอกว่าคือมีมีพฤติกรรมเห็นชัดนี่ว่าเขาเนี่เนี่ยบิดผิวเหมือนันมือนไอ้อันเนี่ยบิดผิว และด็ศาสนาลบหลู่ลท่านน บ, บีสลลุลต่านเลยสลิท่านก็นได้เขียนหนังสือเล่มใหญ่เพื่อตอบโต้อุลามา ต, ตอนนั้นที่ที่เขาที่เขาไม่ยอมตัดสินประหารชีวิตของเขาซึ่งตอนนั้นเป็นยุคที่อ่อนแอจริงๆเพราะตอนนั้นเป็นยุคทั้งสงครามโคซีทั้งสงครามพวกมารุลกับตะตาร์นี่ที่ทําให้อาณาจักอิสลามเนี่ยอ่อนแอมาก แล้วไม่สามารถที่จะดำรงกฎหมายอิสลามอย่างเต็มที่ก็เหมือนในยุคปัจจุบันนี่แหละที่ไหนก็ตามนะครับที่ไหนก็ตามท่านมีอํานาจมีบารมีมีศักดิ์ศรีและมีเครื่องมือเพียงพอที่จะปกป้องอํานาจและบารมีศักดิ์ศรีไม่มีใครจับจ้วงได้ไปดูที่ไหนทั่วโลกทั่วโลก ถึงจะเป็นประเทศประชาธิปไตยเป็นยังไงบ้ก็แมคโร น, นี่บอกว่าไอค้คนที่ลบหลู่ท่านเดบีที่วาดภาพลบรลู่ท่านน้นมุสลิมไ ม, ม่มีสิทธิ์ที่จะมาห้ามเราวัฒนธรรมของเรานี่มีสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นอีกวันนึงอ่ะมีคนก็ด่าแมคโครนเรื่องการเมือมงอ่ะแมคโครนนี่ก็ได้ฟ้องมินประมาณที่ถูกทำเอา สิทธิเสรีภาพมันไม่มีหรอยิง่งเขานี่เป็นบุคคลสาธารณะเป็นเป็นบุคคลสาธารณะที่วิจารณ์ได้แต่วมันมันให้เห็นนะครับว่าใครที่มีเครื่องมือในการปกป้องศักดิ์ศรีของเขาเน่ยไม่มีใครจบช่วงได้ถึงจะอ้างอ้างเรื่องเรื่องสิทธิเสรีภาพก็จริงแต่แต่ตละคนเนี่ยเขาก็มีสิทธิที่จะปกป้องยิง่ง สำหรับมุสลิม嘛นะศาสนาอิสลามเนี่ยมุสลิมอื่นจากศาสนาอื่นเรื่องศาสนาเรื่องท่านอบีบุห์มหมัตส์สลลัลอะลัยซ์ลัมเป็นเป็นเรื่องที่ไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ในข้อต่อรองที่จะวิภากวิจารได้ไม่ใช่ไม่ไม่ไม่ไม่สะดวกไม่สนใจนี่ก็ไม่เป็นไร ไม่สะดวกไม่ไม่ศรัทธาไ ม, าไ ม, ไม่ไม่เป็นไรแต่ถ้าหากว่าจะจะลบหลู่จะเสียสีเนี่ยอันนี้เนี่ยไม่ได้ชาวฝรั่งก็ชองกิษคนหนึ่งเขาได้เข็นหนังสือเขียหนังสือเ อ, อ, อลคอลีดูนะเียบุคคลที่มีชื่อเสียงอย่างถาวรนี่มีอยู่ร้อยคนคนแรกนี่คือท่านในมุฮัมมัด น, นี่เขาเขาเขาได้จัดสมัมมนาจะได้ เปิดตัวหนังสือเล่มใหม่เขาเริ่มบอกว่าคนแรกที่ถือว่าดังที่สุดในโลกถือว่าอัจฉริยะที่สุดในโลกเลือที่สุดเนี่ยคือมุฮัมมัดโอ้เนี่ยคนก็ประท้วงเลยมาดังเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยตอนตอนที่ท่านนาบีเริ่มเริ่มเมทศนาเรื่บบองเผยพระอิสลามเนี่ยท่านอยู่คนเดียว คนแรกที่ศรัทธาเนี่ภรรย า, าภรรยาเขาลูกเขยเขาลูกสาวเขาไม่กี่คนแต่ผ่านไปแล้วในพันสี่รอปีคนที่ศรัทธาในในในตัวท่านนาบีมุฮัมมัด ส, ส, สลนละสซลิมเนี่ยพันล้านกว่าคนแล้วแต่ขอ้อแตกต่างว่าในพันล้านเนี่ยในทั้งหมดในในพันล้านเนี่ยไม่มีใครจะยอมถ้ามีใครแตะต้องท่านนบีไม่มีใครจะยอม ให้เรื่องนี้มันผ่านง่ายๆก็จะลุกขึ้นมามาปกป้องมาต่อสู้เพื่อเกียรติยศของท่านอับดุลลาห์สัลโสลัลล๊ะซึ่งดูในศาสนาอื่นดิถ้าศาสดาถูกลบลูศา ส, สดาถูกเหยียดหยามเนี่ยจะทํำยังไงไหมในศาสนาอื่นเอาเสน่ลักษณ์ของศาสนาเนี่ยไปฉายหนังโป๊้ไม่แค่เยียเย้ยกันนิดหนึ่งประท้วงกันทําหนังสือประท้วงกันแล้วกันงกันจบจบไป ก็ยังทําซ้ํากันอยู่ทําละครทําหนังลบหลู่ท่านเพรย์ซูนโอ้นับไม่ถ้วนเลยนับไม่ถ้วนเลยไม่มีใครออกมาปกป้องอะไรเลยเขาอาจจะเขาจะอาจจะมีความเชื่ออย่างสําหรับมุสลิมหนีไม่ได้สําหรับมุสลิมเนี่ยลบหลู่ท่านนะบิซอลละลอฮุอะลัยฮุซซัลลัมนี่ยิ่งยิ่งกว่าการลบหลู่ตัวเองเนี่การลบหลู่ศักดิศีเกียติยศของตัวเองของครอบครัวของตัวเองซึ่งเรายอมรับไม่ได้ โดยข้อที่ข้อท็จจริงแล้วเนี่ยคนเรานี่นะครับจะมีใครมาด่าทอเรามาด่าทอพ่อแม่เรามาด่าทอสามีภรรยาเราหรือคนที่เรารักใคร่คนที่เราเคารพนับถือเนี่ยเราก็ไม่ยอมเหมือนกัน เ, เราก็ไม่ยอมด่าพ่อแม่เนี่ยสมมติว่าคนที่มาด่าพ่อแม่เนี่ยเป็นเป็นเจ้าของร้านปักซอยอย่างนี้ เฮ้ยด e, si oh ่าพ่อแม่กูไม่ซื้อมันกูไม่ซื้อไม่ซื้อไม่ขายกับมันทําไมอย่างมึงด่าพ่อแม่กูมีคนบอกโอ้คนระบาดเด็นมันคนละประเด็นคนละเรื่องไปบอยคอร์ดเรื่องอะเรื่องธุรกิจกับธุรกิจเนีงมีไหมใครกล้าพูดแบบนี้ไหมไอ้เจ้าทัต่บบวีตอนถูกลอบหลุดเนี่ยเราก็บอยคอรดคนที่รอบหลุดท่านไหนโอ้ยคนระประเด็นคนละประเด็น เนี่ยประเด็นเด้งสำหรับมุสลิมหน่มตะกะเดียวกันเลยอย่าว่าแค่บอยคอรดนะไม่ซื้อไม่ขายนะอย่าให้เห็นหน้าแล้วกันอย่าให้เห็นหน้าอย่าให้มาเดินปากซอยนี่อย่าให้นย่ห้ฉันเห็นหน้าแล้วกันมีเรื่องแน่นี่แค่แค่คนมาด่าเรานะมาด่าพ่อแม่เรานะเราก็ไม่ยอมขนาดนั้นนะต้องตองตรวจสอบอะ ن ا ا ا د ن ب ي صلى الله عليه وسلم ا قال لا يؤمن أحدكم من ك م بخاري ل م س ل م لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه ووالديه و و ا ل د ه والناس أجمعين كم تكن كن لموقت النتيماي ستأ إيمانهم ه ل ا م ي شاي مي دا أ مي كروت ون سمبون ت ن قا جا تون ให้ข้าพเจ้าให้นบีเนี่ยเป็นที่รักยิ่งมากกว่าตัวเขาเองมากกว่าลูกลูกของเขามากกว่าบินาบัรดาของเขาและมวลมนุษย์ทั้งหลายแต่ว่าศักด์ศีของเราศักดรีของคนใกล้ตัวเราหรือคนอื่นในสังคม ส, คสําคัญกว่าศักด์ศรีของท่านนบีสุลตานเลยแสดงว่ากาลิมอ์นี่มีปัญหาละอัลลอฮฺชัดว่ามูฮัมหมัดอัลลอฮฺมีบัญหมีบัญหาแน่ มีปัญหาเน่ยถามว่าโดยพฤติกรรมของเรานี่โอ้คนนี้ประกาศเลยคนนี้นี่นี่อาจารย์ชนะใครอย่ายมาแตะนะใครแตะนี่ผมไม่เลี้ยงเลเนะี่ยผมซัดเลยนะพอเจอปัญหาเรื่องลบลูลล่ท่านนายบิ๊กเออเราต้องส บ, บัดต้องอดทนนบิกก็โดนนบีกอ็อดทนมันกลายเป็นเรื่องที่ไม่กินกับปัญญาเลย แล้วถ้าเขาอ่านกุร์านแล้วก็ศึกษาอย่างน้อยในี่ยสุรัตเตหบ้านี่ก็จะเข้าใจว่าเหตุผลทั้งหมดในที่ก็พูดนี่นะการที่ออกแค่ประท้วงนี่แค่ออกประท้วงหรือใบขอนี้นี่ถือว่าเรื่องที่แย่ที่สุดที่เราสามารถคิดว่าแย่ที่สุดที่เราสามารถทําได้ไม่ใช่เรื่องที่ต้องทํานะไม่ไอที่ต้องทำเนี่ไม่มีใครทําแล้วจะมีที่ไหนอ่ะรัฐที่ไหนมาประกาศสงฆ์ไม่จะเคย ครั้งสุดท้ายที่มีเรื่องแบบนี้ส ม, มัยคอลิฟะห์อับดุลฮามิดอัซ่านีของอาณจักรออตตมันฝรัง่งเศสประกาศแสดงละครเวทีรูบหลูล่ท่นนานเบิโมีโฆษณาสุลต่านอับดุลฮะมิดอัล่านีก็เลยเรียกทูตของฝรัง่งเศสบอกว่าเรื่องนี้จะเกิดขึ้นนะนะทุกทุกทุ ก, ทกสัญญา ที่ระหว่างอาณาจักรอุษมันกับฝรั่งเศสในการในการทำธุรกิจซื้อขายหรือธรรมทานอะไรต่างๆเนี่ยยกเลิกหมดแค่นี้แค่แคนี้เนี่ยเขาก็สั่งการยกเลิกยกเลิกเลยทําได้เรื่องบางเรื่องนะนนะอีนี้มันพูดไม่ได้เพราะเดีนี้เราต้องเราต้องการน้ำมันเยอะ อันนี้ต้องการน้ำมันโอ้พ oh, ี่น้องเชื่อมว่ม า, น, านังซื้อพิมพ์ในประเทศตะวันตก น, นี่แหละว่ฝรั่งเศสก็ดีอังกฤษอเมริกาเนี่ยเคยนะที่มีการลบหลู่ผู้นําประเทศอาหรับที่เป็นประเทศน้ํามันเนี่ยบางประเทศเนี่ยเป็นเรื่องเลยเป็นเรื่องเลยประเทศประเทศหนึ่ง สั่งเสื้ออาวุธจากประเทศนั้นน่ะสั่งเสื้ออาวุธจากประเทศนั้นน่ะรู้มีรกี่พันล้านน่นะแล้วบอกกันด้วยในประเทศฝรั่งนั้นน่ะเขาทําภาพยนตร์ภาพยนตร์มีลบหลูรบหลูผู้นําประเทศนั้นนั้นน่ะไม่รบหลูตัวเขาเองไงรบหลูครอบครัวในวงวานของเขาแคยบอกว่ า, าถา้ถาถ้าหนังนี้เนี่ยไม่ถูกเก็บเก็บเองด้วยนะฉันจะไม่ตามเก็บนะเก็บเองด้วยนะ เก็บจากตลาดจะปโรงหนังเก็บหมดเลยถ้าไม่เก็บนี่นะไม่เสื้ออาวุธอสัญญาเื้ออาวุธนี่นะมันจะทําให้โรงงานผลิตอาวุธเนี่ยทำงานได้อีกห้าปีข้างหน้าคนทํางานนับหมื่นคนนะเก็บหมดเลยเอาแสดงว่าเรามีอํานาจต่อรองนี่เรามีเสด็จพอเรามีอํานาจพอเรามีสภาวการณ์พอเราเรามีความกล้าพอที่จะต่อรองเอ้ยรับรอท่านนบีแห่งั้น สัญญาซื้อนี่ขายน้ามันน่นไม่มีนะใ ห, ให้ไปเคลียร์ซะเคลียร์เองเลยก็เราไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องทําอะไรให้เขาไปเคลียร์เองด้วยเคลียร์ได้นะเพราะเราเคยไงผู้นําที่เคยเคยขู่เพื่อปกป้องศักดิ์ศรีของของตัวพูดผู้นําเองบอกแล้วนี่การนี้จะต่อสู้ประกาศสงครามอะไรนี่อันนี้อันนี้ไม่ต้องคุยนะเรื่องที่เราต้องทำมันทำไม่ได้มีทางแล้ว แค่ประกาศความไม่พอใจหรือประนามหรือบอยขอนี่ถือว่าเรื่องที่แย่ yeah, ที่สุดที่เราสามารถทําได้ถ้าทํานะถ้าทําแต่อโมในช่วงนี้เนี่ยมีอุลมามะท่านหนึ่งเขามานั่งคิดทําไมอัลลอฮ์ต้องมาทดสอบประชาชาติอิสลามด้วยเหตุการณ์ลบหลู่ท่านนาบีในช่วงนี้ล่ะพี่น้องสังเกตนะ ครั้งที่มีการลบหลู่ท่านนาบีหรือใส่ไร่ศา ส, สนาเนี่ยเหมือนกับอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى กำลังทดลอง إ ي م านของประชาชนทั้งหลายใครใครเนาะใครนาะที่มีกลิ่นอิสลามที่มีกลิ่นความรักต่อท่านไอ้ใครใครเวลามาได้บอกว่านี่ที่เราทดสอบพวกเรานี่เราต้องการทดลอง إ ي م านของเรา ทดลอง إيمان ของเราและการทดลอง إ ي م านของเรานี่แหละที่จะทําให้มีเคลื่อนไหวมีการเคลื่อนไหวในการปกป้องอิสลามในการคุ้มครองอิสลามทุกยุคทุกสมัยเพราะฉะนั้นอัลลอฮฺบอกว่าพวกเขาทิลูอิมัตุลกุฟรีให้ตรวสูบหนันบันไดเส้นอินฉันนั้นไม่มีคําสัญญาที่น่าเคาร็เลย ทำไมต้องต่อสู้แหละอันละหุ่นเมียนแต่หุ่นเพื่อว่าพวกพวกเขาจะหยุดยั้งเขาจะได้หยุดเพราะถ้าหากว่าเราไม่ต่อสู้ไม่มีปฏิกริริยาอะไรเลยนะ่ะเขาจะหยุดยัง้งไหมไม่เอาอีกทําไมอ่ะอ๋อมุสลิมไม่ต้องไม่ต้องกลัวหรอกทํายังไงเขาก็เขาก็เขาก็ไม่ไม่ไม่ตอบโต้ การตอบโต้ในอิสลามเนี่ยไม่ใช่ตอบโตด้วยด้วยการต่อสู้อย่างเดียวอันนี้แค่อายะเดียวนะนี่แค่อายะเดียวแต่การตอบโตด้วยการเผยแพร่ด่าว่าใยการสั่งสอนโดยการโดยการแสดงกิริยาแสดงมารยาททีนอันนี้มีอยู่แล้วอันนี้ไม่ต้องอธิบายแล้วใครจะมาเข้าใจว่าตอบโตนะมีมีบาดประหารมีอะไรอย่างเดียวไม่ใช่มีอย่างอื่นนี่มันมีหมด ขอรบลูท่านนาบีเราเราก็ต้องออกหนังสือเราจัดสัมม น, นาเราภาพยนต์ให้คนเข้าใจนี่มาด้วยด้วยแต่ไม่ใช่มาร่วมเออเราไม่มีปัญญาที่ทำอย่างอื่นนะมาต้องมาทหมดอะไรที่ทำได้แหละทำไปสิอะไรที่ทำได้ทำไปสิแต่เพิกเฉยเพราะใ น, นเมื่อท่านมีอำนาจมีความสามารถในการที่จะต่อสู้ปกป้องอิสลามและนบีแล้วนะ จะมาอ้างว่าอดทนอันนี้ไม่ใช่แล้วอดทนไม่ใช่แล้วเพราะเราเห็นกันท่านทั้งถูกลบหลู่เองอันนะถูกเหยียดหยามเองกันนะท่านก็ไม่ได้อทดทนสักทผมจําได้นนะักวิชาการคนนั้นนะที่บอกว่าโอ้ไอ้พวกที่ออกประท้วงนี่พวกนี้เนี่ยไม่มี ض, ามารยาทของท่านนบีเลยน บ, บีถูกน บ, บีสมยัยน บ, บีมีชีวิตน บ, บีถูกเล่าน บ, บีก็อดทนแสดงว่าเราต้องอดทน เ็นักกจการนีคนเนี้ยมีนักกิจการนไปแขะเขานิดหนึ่งไปไปกันนกัหนาเขานิดหนึ่งโอ้โหจัดเนเป็นเดือนเลยนะครับออกราการวิทยออกทีวีนี่ซับๆเป็นเดือนเลยทำไมไม่อดทนอันีเป็นส่วนตัวนะร่งส่วนตัวจะพออดทนได้ไงเร่องส่วนตัวอภัย อของท่านน บ, บีทังไม่ใช่เรื่องส่วนตัวนะเราไม่มีสิทธิ์ที่จะให้อภยัยหรือจะมาจะมาอดทนนะเรื่องของท่านน บ, บีเป็นสิทธิ์ของท่านน บ, บีไอ้อดทนพฤติกรรมนี่มันฟ้องว่าที่จริงเนี่ยที่เรียกร้องให้อดทนนี่ที่จริงมันไม่ได้เกิดจากอุดมการณ์หรือความตระหนักในในในหลักการที่กำลังสอนชาวบ้านเพราะตัวเองก็ทําไม่ได้ ألا تقاتلون قوما نكثوا؟ ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهم بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أ تخشونهم ف الله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين ألا تقاتلون قوما؟ ที่มีความแข็งใจนิดนึงว่าเราจะตัดตัดคำสัญญามั่นกับเขาจะตัดความสัมพันธ์กับเขาเลย อ, อย่างเงี้ยได้ยังไงก็มีเครือญาติมีคนที่รู้จักมีคนสนิทสนมอัลล้วก็ามาเย่าลืมนะพวกเจ้าจะไม่ต่อสู้เขามันนักสูไอมาน้ามไม่ต่อสู้กันนั้นหรือใครอ่ะ ซึ่งกลุ่มชนที่ทำลายคำมั่นสัญญาของพวกเขานักสู้นักสู้นักสู้ก็ทำลายทำลายสัญญาจึงคาว่นนานกสะนกษแปลว่ากลับกลับล บ, บิดเพียวบิดนกบิดบิดวไอมานะคำามั่นสัญญาของพวกเขา ว่าห ม, มุบีขรจรจ์รุสุลีแล้วมุนขับไล่รสุสลให้ออกไปจำไม่ได้เหรอว่าคนพวกนี้เนี่ยที่พวกคุณกําลังลังเลใจว่าจะไม่ตัดความสมัมพันธ์เขาก็กลุมลเหล่านี้แหละที่ขับไล่รุซูลของพวกเจ้าท่านนาบิหมุฮัมมัดนี่ขับไล่ออกจากมักกะมิใช่หรืลืมไปแล้วจําไม่ได้แต่เรื่องการขับไล่ท่านนาบี เราก็ได้พูดว่าในคุรานในหลายอายะหลายสุร์ซึ่งการขับไล่ท่านนบีสุลลัลลอฮฺอะลัยฮิสสลามให้ท่านนบีอพยพจากมะกาไปมดีนานเนี่ยเนื่องจากการขับไล่นี่จึงเป็นเหตุการณ์สำคัญสุดในประวัติศาสต์อิสลามฮิจุรราะห์ของท่านนบีสุลลัลลอฮอะลัยฮิลมอยู่ไม่ได้ท่านนบีอยู่ไม่ได้นบี ะละหมาดที่บ้านตัวเองอ่านกุฎอ่านเสียงดังเงี้ยไม่ได้เลยอ่านกุฎอ่านเสีย ง, งในละหมาดนะอย่าว่านอกละหมาดเนะี่ยในละกําลังละหมาดนี่ละอ่านเสียงดังไม่ได้ต้องรอให้มันดึกๆ ก, ก่อนค่ำหัวค่ำก่อนถึงจะอ่านเสียงดังได้และนี่คือที่ไปที่มาว่าทำไมละหมาดดูฮุรีกับอัสซีเนี่ยเราอ่านเสียงค่อยเพราะถูกบัญญัติตั้งแต่แรกเลยมันเป็นช่วงกลางวัน น้องต้องเข้าใจนะว่าในโบราณอดีตเนี่ยเขาไม่มีไฟฟ้าไงเขาจะทำมาหากินกันเฉพาะช่วงกลางวันหัวค่ำเนี่ยต่อก่อ น, นุษย์นะมนุษย์เ น, น่ยเหมือนไก่หัวค่ำนี่ก็นอนกันแล้วกลางวันนี่โอ้เต็มบ้านเต็มเมืองหมดเต็มทุกซอยทุกถนนทุกตอกถ้าท่านนบีลมาดูรีอ่านกูร์านี้ได้ยินแน่นอน บทบรรยากาศเลยให้ละ ม, มาดดุฮรีอัสรีเนี่ยละ ม, มัดเสียงค่อยไม่เสียงดังมัธยีอิชายุบอนิเขาหลับปยแล้วเขานอนแล้วอ่านเสียงดังได้ลองคิดดูสิชีวิตชีวิตเป็นแบบเนี้ชีวิตชีวิตของท่านในจะละ ม, มาดในบ้านของตัวเองเสียงไม่ได้อบูบะกะรัสเดียกนี่แม้กระทั่งกลางคืนนะ่ะกั้งคืนเนี่ย ก็พอที่จะอ่านเสียงดังได้นะแต่จะอ่านเสียงดังนี่ต้องแอบไปอยู่ในห้องข้างในนี่จะประจะมัจะมภะปรจัมะเพราะตอก่อนนูนะ้นน่ะบ้านข้อนี่เป็นบ้านเป็นบ้านเี่ยตรงกลางนี่มันจะเป็นที่โลง่งอะนะเพราะมันเป็นวิธีระบายอากาศไงตรงกลางนีจะเป็นที่โล่งเหมือนเป็นระเบียงอะแต่มันจะเป็นระเบียงใหญ่อ่ะนะถ้าอากาศมันร้อนหน่อยอ่ะนะอยู่ในห้องนี่มันร้อนนะ่อยนั่นก็ออกมา ออกมานั่งชิวๆหรือจะมาละหมาดชิวๆอับูบักรกนี่จะออกมาละหมาดกลางคืนนะ่ะกลางคืนดึกแล้วอะ่ะออกมาละบางคืนแต่เสียงดังเนื่องจากเสียงอับูบักรือเสียงไพเราะแล้วก็เป็นเสียงเสียงอ่านแล้วก็เสียงเศร้าอ่ะคน ก, ก็ชอบชอบฟังคน ก, ก็มาแอบกันออกมาแอบเด็กเด็กผู้หญิงคนเนี้ยชาวมักกานี ชาวมะ ก, กานี่แคเลย เ, เรียกผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขาคุ้มของอูบักมันก็นี่ที่ตัวเองให้ความว่ addition, ว า, วาอูบักนี่นะเขาทำแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวจะทําฟิตหน้าสร้างฟิตหน้าสร้างความแตกแยกแน่สร้างความแตกแยกในหมู่คณะของเราหน่ทําไมอ่ะโอ้โลูกเมียออกไปฟังกุศานั่นเดี๋ยวเขาตามมุฮัมมัดกันหมดนั่นแน่มันเป็นมุกมุก ม, มุกเก่ามาแต่เดิมแล้ว ชีวิตก็เป็นแบบนี้น บ, บีจะเดินไปไหนอะนะก็จะมีพวกสมุนของผู้นํา o ุเรชเนี่ยเดินนําหน้าน บ, บีรู้ว่าน บ, บีจะจะคุยกับคนนี้คนนี้เขาก็นําหน้าไปก่อนนะ่ะนี่คนนี้เนี่ยนะนี่ชื่อโมฮัมหมัดเนี่ยฟังอะนะเป็นคนบ้าเป็นคนนักเสือระวังนะดูเป่าแล้วก็เองจะบ้าไปเลยนะเองเป็นเป็นคนบ้าไปเลย ช่วงฮัตเ น, นบีก็จะพยายามไปไ ป, ไปด่าวาไปเผแพร่ก็จะมีคนตามนบีแลว้วก็ตามเลยนะตามตามหลังเพราะอันนี้จะไปจะไปกระซิบบอกไม่ได้นี่ตามหลังนบีเลยนบีจะพูดที่ไหนนี่ยเชื่ออันนี้ น, นี่อันนี้เป็นคนนอกกรีดเป็นคนเป็นคนบ้าเป็นคนอยู่ข้างหลังนบีภรรยาของอบูละครับเอาอุจระเอาน้ำ กิ่งที่มีน้นํานี่แล้วก็สั่งลูกน้องนี่บอกว่าเห็นมูฮัมหมัดเดินไปทางไหนเนี่ยก็ไปทิ้งอุจระไปทิ้งน้ำํำในทางของท่านนบีมูฮัมมัดใครอะอุตบะหรืออุมัยะนีที่เอามูลไม่ใช่มูลคือส้อะไส้พุงอะของอูดเราเคยเชือดใครเคยเชือดแผมไหมที่นี่ แค่พุงแพะนี่ก็หนักแล้วเนะนบอกว่าพุงแพะไส้แพะเนี่ยกับมูลที่อยู่ข้างในเนี่ยมันเกือบครึ่งน้ําหนักของแพะแพะนสมมติเอา20ิโลนี่10ิโลตัดไปลเลยหนึ่งี่พุงเนี่ย10ิโลไปแล้ะแล้วพุงอูดละ่ะพุงลําไส้อูดเอาพุงลําไส้อูดนี่ร้อนบีตละล่มาดหน้ากาบ้านนี่เอาพุงลำไส้อูดแล้วก็มาโยนบนหลังท่านน่ะบีโอ้อยาวะยาวะเอา อย่าว่าเอาลำไส้หรือพุงอูดนะถ้าเราเดินแล้วก็มีคนเอาหนังอูดหนังอะไรสักอย่างหนึ่งมาโยนนั่นน่นะแคมแค่นั้นน่ะเป็นเรื่องแล้วมีมองหน้าแนะ่มีเรื่องแนะ่ไม่ใช่ไม่ใช่พุงนะไม่ใช่ไส้ไม่ใช่ขี้อูดนะแค่เอาขยะอย่างเงี้ยเอาเอ า, เอาดื่มน้ําปฏิกัณ์แล้วก็โยนไงเห็นดเดินมานล้วก็โยนมีมองหน้าแนะนะ่มีเรื่องแนะ่ คนนั้นอดทนมาแล้วนะแล้วเท่าไหร่สิบสามปีถึงขนาดที่ท่านบีบอกว่าฉันขอเรื่องเดียวจะทําอะไรก็ทําไปแต่ขอเรื่องเดียวคขาลูไม่เนียวไม่น้นน่ปล่อยให้ฉันพูดแค่นั้นแหละนบีขอแบบนี้แสดงว่าเขาไม่ให้ไงลูจะขอเรื่องเดียวถ้าแต่ให้ฉันหน่ยฉันจะไม่ว่าอะไรฉันอดทนได้แต่ขอเรื่องเดียวเขาลูปล่อยให้ฉันพูดสามารถพูดกับคนอื่นแสดงว่าเขาไม่ให้ เขาไม่ให้อ้าวแต่แบบนี้นี่มันจะมีประโยชน์อะไรล่ะอยู่สิบาบียวนี้มันก็ไม่อ้าวนบีก็ตัดสินใจว่าจะออกนี้เขารู้ว่าถ้าจะออกน ะ, สะแสดงว่าจะไพเผด็จแ่ศา ส, สนาอิสลามและก็ชาวอาหรับทั่วแผ่นดินอาหรับเนี่ยก็จะประนามกูริชก็เลยพยายามที่จะสังหารท่านนาบีไล่ ล, าลา่าท่านนาบีจะได้สังหาร แสดงว่าการกดขี่กดดันท่านนาบีตลอดสิบสามปีเป็นสาเหตุที่ทําให้ท่านนาบีเนี่ยต้องลีภยัยต้องฮิจโร่ออกไปจากมักกะนี่ยคืออิครอจคือการขับไล่เขาไม่ได้ขับไล่วันเดียวเฮ้ยนบีออกไม่ให้ขับไล่นบีได้ไงอะ่ะคนคนในพื้นที่แท้ๆปู่ย่าตายายนาบีนี่นะก็คือคนที่ก่อตั้งเมืองมักกะนี่แหละ ปู่ทวดของท่านนาบีกุสอยบ์นิกิลาบนี่นะก็คือเป็นคนที่ก่อตั้งมักการแล้วก็ตั้งบารมีของกุเ ร, รชุรีจะมาขับไล่นบีขับได้ได้ไงนี่นี่เป็นลูกหลานเจ้าเมืองแท้ๆเลยเบ้านเรานี่ใครที่เป็นลูกหลานใครนี่เป็นลูกหลานเจ้าเมืองนี่ไม่ต้องอะไรนชะื่อเมืองอะไรกันนะแล้วก่อนเมืองนี่ก็นะะนะรู้ได้เลยว่านี่นี่ลูกหลานเจ้าเมืองนะ ทำไมณนะทั้งนี่นะอยู่นี่ไงณนะที่นี่จะไปไล่ได้ยังไงอะ่ะกดดันข่มเหงลบลู่เสียดสีสร้างความเดือดร้อนขับไล่แท้ๆเละมุกของเจ้าของคนโดหรืออพาร์ทเมนต์แต่คนที่มาเช่าไม่อยากให้เช่าต่อทำยังไงนะตัดไฟบางตัดน้ำบางเอ้ยดูดยวดยดูให้วดยดูให้ อย่างนี้ประ จ, จาแล้วจะอยู่มีความสุขไหมเนี่ยถ้าไปหาที่อื่นซะมกุมกมุกคือขับไล่อย่างไงอะับไล่สร้างความเดือดร้อนวะฮุมบาอูคุมอวลมัรรทั้งดังที่พวกเขาได้เริ่มปฏิบัติแก่พวกเจ้าก่อนเริ่มปฏิบัติอะไรปฏิบัติสิ่งที่ไม่ดีอะ การกระทำอันเป็นการข่มเหงกดดันเสียดสีเขาเป็นคนเริ่มถ้าเรามามาตอบโต้ถ้าเรามาต่อสู้เพื่อปกป้องสิทธิของเราเนะอัลลอฮบอก็ <Allah S 2> มันมันมีความชอบอยู่แล้วถ้าเราจะไม่ทําสัญญาไม่รับที่จะทําสัญญามั่นกับเขาอีกแล้วอ่ะนะมีความชอบทำไมอ่ะก็เขาเป็นคนเริ่ม มิดเพิ้ยวคำสัญญาต่างๆอาจจะเข้านะฮพวกเจ้ากลัวพวกเขากระนั้นเกลัวหรอมกลัวเขาอฝ่งอัลลอฮฺอะฮฺอัลกุญฐุมุมินีอัลลอฮฺตั้งหากล่าคือผู้ที่สมควรแก่การที่พวกเจ้าจะกลัวหากพวกเจ้าเป็นผู้ศรัทธาอินกุ่มุอฺมินีต้องกลัวอัลลมากกว่า สมควรที่จะกลัวอัลลอ์มากกว่าสมควรที่จะคำหนึ่งถึงอัลลอ์มากกว่าเหตุการณ์เหตุการณ์ที่ชาคเรจเดี๋ขับไลท่านนบีซอลลัลลอฮุอะลัยฮิวสัลลัมจงทำท่านนบีต้องต้องอุยบต้องยิจราบไปหยุ่ไปอยู่ที่มักกะนี่ มันเป็นบทเรียนสําคัญสําหรับทุกคนที่ต่อสู้ในหนทางอัลลอฮ์พี่น้องต้องสังเกินนะตอนที่นบีอยู่ที่มกักการในสิบสามปีเนี่ยนบีไม่เคยชักดาบไม่เคยใช้อาวุธหรือความรุนแรงในการตอบโต้แม้แต่น้อยแม้แต่ครั้งเดียวก็ น, นบีไม่เคยสิบสามปีนบีอดทนถึงบอกว่าอายะต่างๆ ที่ถูกประธานลงมาที่มกักกะไม่มีแม้แต่อายะเดียว่นะให้ต่อสู้นะให้ประหารประหารให้ทํำสงครามไม่มีเลยมีแต่อายะตุสับรงอุลมะเขบอกว่าเป็นอายะองค์การให้อดทนให้นิ่มนวลให้พูดดีทั้งหมดเลยแสดงว่าการนี้ การที่จะต่อสู้ของท่านนบีลตานละวะเลวซัลลัมมันมีเหตุผลเพียงพอระยะเวลาเพียงพอสิบสามปีนะที่ท่านนบีไม่ได้ใช้ความรุนแรงไม่ได้ใช้การต่อสู้ใช้ความอดทนมานานแล้วมุสลิมก็ต้องคำนึงถึง่องนีงน้เหมือนกันว่าการตอบโต้จะเป็นการตอบโต้หรือการทำสงครามหรือการใช้ความรุนแรงทันทีเลยนะมันก็มันก็อาจไม่มีความชอบ เราได้ตอบโต้ด้วยความอดทนหรือยังเราตอบโต้ด้วยความความการดาว่าอย่างนิ่มนวลหรือยังเราได้พูดคุยเรียงทุกอุิถีทางที่จะให้คนอื่นได้เข้าใจและมีโอกาสในการแก้ตัวและที่สําคัญที่สุดนี่นะที่เรากําลังเชิญชวในให้เข้าใจเนี่ยจะต้องไม่มีการบังคับว่าเขาจะต้องมานับถือศาสนานะอิสลามไม่ไม่ไม่มีข้อบังคับนะตรงเนี้ยไม่ ขอสิทธิอิสระในการที่จะเผยแพร่อิสลามนนิบลึงอุลามะถึงตั้งสมมุติฐานว่าถ้าสมมุติว่าในบีอยู่ที่มักกะเขาแต่ว่าชาวกุเรชเขก็ไม่สนใจก็ก็ไม่ได้ว่าอะไรไม่ได้ขัดขวางท่านนบีไม่ได้กีดกันท่านนบีในบีจะอุปยบไมในบีไม่คิดอุปยบเลยในมีจะไม่คิดเลยแม้แต่น้อยในที่จะอุพยบในบีพูดตอนที่อุปยพเนี่ย พูดกับเมืองมะกาเนี่ยเหมือนเป็นเหมือนเป็นคนที่นาะวิกกำลังคุยอะอัลล bi าอินนะกิมินอฮับบีบีแลดิลเลยอะไรแทจริงเจ้าเองเนี่ยโอมากาเนี่ยเป็นแผ่นดินที่เป็นที่รักยิ่งสําหรับสําหรับฉันเนี่ยมากกว่าที่อื่นเลยวะลาอูลาอันน์นาโควมากีอัคราจูนีมาคาร์สอกจากว่ากลุ่มชนของเจ้าเนี่ยได้ขับไล่ฉันออกว่าฉันจะไม่ออกถ้าฉันไม่ถูกขับไล่ฉันจะไม่ออกนะไม่ออก จึงเป็นมาตรฐานที่เราสามารถวางไว้ได้ทุกยุคทุกสมัยมุสลิมอยู่ที่ไหนประกอบศาสนาอิสลามได้ไม่ต้องอพยพไม่ต้องอพยพไม่ไม่ต้องฮิจโรหิจโรฮิจโรนี่ที่ท่านนาบีอพยพจากมักกับจากมักกับไปมดินานี่เนื่องจากว่าไม่สามารถดำรงเรื่องสำคัญที่ท่านนาบี ต้องการนี่สองเรื่องคือเรื่องประกอบศาสนกิจและก็เรื่องเผยแผ่อิสลามที่สําคัญที่สุดที่สําค eh like ัญที่สุดสองอย่างอิสระนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่บังคับคนอื่นนะนบีไม่ได้ไม่เคยบังคับคนอื่นแม้กระทั่งมาดิน่าที่ตอนนั้นน่ะถือว่าอิสระที่สุดแล้วอะนะนบีก็ไม่ได้บังคับใครนบีเสนออิสลามลูกน้องนบีซาบะทุกคนที่เผยแพ่นี่เสนออิสลามถ้าเอาก็เอาก็ดีไม่เอา เราก็ออกไม่ยุ่งและนี่คือสิ่งที่มุสลิมทุกคนต้องเข้าใจแล้วก็ต้องต้องต้องทําให้ต้องทําให้เป็นแบบฉบับของท่านในมิสซาลลัมในการนําเสนออิสลามไม่มีการบังคับไม่มีการกดดันแม้แต่ต้องกดดันนะต้องเคยเล่ากับพี่น้องอ๋อมารุมตุนขอตอบตอนเป็นคัลีฟ้าหลังจอิสลามรุ่งแล้วอิสลามมีอํานาจมีทรัพย์สิสน ลนฟ้าแล้วแล้วก็มีมีอาลุคีตับเป็นเป็นสตรีคนหนึ่งเป็นคนยากจนเขาก็มาขอความช่วยเหลือจากท่านอับบาลอบลเขาตอบม่มุสลิมอะมาขอความช่วยเหลือเข า, ม า, มามไม่มีอะไรจะกินเพราะบาลุบดุลเขาตอบก็เลยสัง่งเพราะบาลุบดุลาตอบเนี่เป็นคอรีแวคนแรกเนี่จะอว่าอาลุคีตาบทั้งหมดเลยเนี่ยถือว่าเป็นพลเมืองของรัฐอิสลาม ถ้าเขาลาบากนี่นะรัติสางก็ต้องช่วยเหลืเอเขาเขมาขอความช่วยเหลือแจา ก, ก็้อมอออออนุขข้อต้อมีสั่งอาหารสเบียงอะไรเขาก็เลยชื่นชมชื่นชมบอกว่า โ, โอ้ท่านลศา ส, สนาอิสลามนี่ดีเหลือเกินดีอย่างงน้นอย่างนี้นข้อมนุษย์ข้อต้อมนี่ก็เลยแล้วเธอทําไมไม่รับอิสลามละ่ะแค่นี้นะคือที่จริงเนี่ยผู้หญิงเป็นคนเริ่มชื่นชมอิสลามเองนะ แ่าน อ, อเล ย, เลยบอกว่ามเธอม่ัอิสลามแล้วท่านำาก็รนิ่งพักหนึ่งแล้วบอกว่าขออภัยนะข้าพเจ้าไม่ได้บังคับนะไม่ได้กดดันนะอิสลามเลยนะตามสบายเลยตา ม, ตามสะดวกเลยนะท่านกลัวว่าท่านเนี่ยขัดขัดขวางคำสั่งของอัลลอที่เราควรลอิกราฮะฟิดดีนไม่มีอิสลามไม่มีการบังคับท่านเข้าใจว่า ท, ที่ที่พูดแบบเนี้ย เออในเมื่ออิสลามมันดีทําไมเธอและนี่เป็นคอลีฟ้าด้วยนะผู้นําสูงสุดรู้สิมเออทำไมอิสลามมันดีทําไมเธอไม่เข้าใจเหมือนมีกดดันมีเหมือนมีกดดันผมขอต้อนี้กลัวว่าเป็นคนที่ฝ่าฝืนคําสั่งของ an. ขุนอานบอก็ขอโทษขอโทษผมไม่ได้กดดันนะไม่ได้อะไรเลยนะเรื่องอิสลามนี่าเรามังคับรีบรีบขอโทษเลยนี่ผมนึกถึงทีพิธีกรพวกเราในรายการต่างๆนี่ก็เจอ เจอหนะักวิชาการเจอใครที่พูดถึงอิสลามดีๆอาจารย์ที่พูดถึงอิสลามดีทำไมอาจารย์ไม่รับอิสลามมันดีออกอากาศย่างเงี้ยอน ก, กดดันนะกดดันแล้วจะได้อะไรอหถ้าเขารับอิสลามด้วยความเก่งใจเกิดขึ้นจริงมีอุลามาท่านหนึ่งไม่ได้เออปหนึ่งชื่อนะ่ะอารับอารับเขามีชื่อเสียงคนเนี้ยในการเขาไปสัมมนาด้านวิทยาศาสตร์เนี้ย แล้วก็เอาคุอ่านแล้วาสนานี่ไปไปนำเสนอก็มีมีสัมมนาที่ประเทศยุโรปแล้วก็มีมีแพทย์จากมังไทยเนี่ยไปไปไปร่วมประชมุมแล้วเขาก็พูดถึงเรื่องเรื่องการการเกิดในมดลกูกการเกิดมนุษย์ในมดลกูกการผสม อ, อ, อุลมาท่านนี้ก็หล่าคนเรื่องนี้เ น, นี่ะะยนุา น, นี่ถูกระบุเมื่อพันสี่รอปีไงแพทย์คนนี้คนไทยเนี่ยทึ่งเลย swimming. คนเชีงยงใหม่ทึ่งเลยนะโอ้ริงโอุ้ยอดเลยเนะี่ยคนไทยเราเนี่ยเวลาเจออะไรแบบว่าถึงๆเนียาก็แสดงความทึ่งอ้สุดยอดอุลามาคนนี้ก็หล่าคนนแสดงว่านี่คือศีลธรรมรับอิสลามไหมเอเอรับอิสลาม เออได้ได้ได้คือเขาไม่เข้าใจว่าตอนนั้นเน่ยเรื่องรับอิสลามนี่ก็หมายถึงว่าอาจจะเข้าใจว่ารับว่าเรื่องนี้มันเรื่องสุดยอดกสุดยอดริง่งไงรับอิสลามนี่ก็เออเล่ยเล่ยแลอวละก็หมายถึงว่าพรเพราะยังไม่ทันจะที่บายเล่ยเล่ยแล้วและเรื่องนี้ก็ถูกถ่ายวีดีโอด้วยผ่านไปแล้วนี่เกือบสิบห้าปีนะเรื่องสิบห้ารี่สิบปีก็ได้มีมีคนไทยเนี่ยไปเห็นวีดีโอเนี่ย บอกว่านายแพทคนนี้ก็ยังยังเป็นพูดเหมือนเดิมเ ข, เขาเขายัาง <c oughs> เขาไม่ได้รับอิสลาม <c oughs> อะก็เป็นเรื่องจริงเพราะคนจะรุน ต, ต, ต้องเข้าใจนะว่าคนไทยนี่คนขี้เก่งเก่งใจแล้วถ้าไม่อธิบายเรื่องทั้งหมดนะ่ะนะตั้งแต่แรกนะข้อเนี้ยเอาแค่ไรไรละก็กล่าวไรไรละมีเรื่องอื่นมีเรื่องอื่นที่เกิดขึ้นอะไรคล้ายๆแบบนี้เป็นพระก็มี ไปได้ไปได้วะพระพระกะไรไรอัลลอฮฺแต่ไม่เข้าใจไงว่าไรไรอัลลอฮฺนี่มีมีอะไรที่มันต่อเนื่องยังไงแต่เขาก็ไม่ได้เข้าอะแหละก็คือกล่าวอย่างงั้นน่ะก็ไม่ได้มีการอธิบายอะไรอะไรที่มันชัดเจนนี่นี่ก็เป็นเรื่องที่ที่ต้องต้องต้องระวังเหมือนกันไม่มีอะไรการอิสลามและการศาสนาในเรื่องกดดันบังคับคนอื่นเนี่ยไม่ได้โดยเด็ดขาด แม้กระทั่งแม้กระทั่งผมถึงพูดไงการที่รับอิสลามรับอิสลามเพราะจะแต่งงานาต้องเข้าเจอเพราะนะแผมว่าที่ที่ถูกต้องที่สุดเนี่ยให้รับอิสลามก่อนแล้วก็ทิ้งช่วงทิ้งช่วงเพื่ออะไรไม่ใช่เลยหรอกเพื่อใพ้่พิสูจน์กับตัวเอง ว, ว่าว่าตัวเองรับอิสลามนี่เพื่อ อ, อิสลามไหมจะรับอิสลามนี่เพราะคน ทำไมาแยบเขาถ้รับอิสลามบางคนนี่นะอิสลามนี่อยู่ไม่นานอยู่ไม่นานแล้วก็มีหลายคนที่มารับอิสลามที่เนี่ยที่ไว้พามาเลยทั้งผู้หญิงผู้ชายจะให้ทำอะไรให้จัดการทุกอย่างเลยให้จัดการทุกอย่างเลยให้รับอิสลามแล้วก็ น, นิก้าไปเลยเมื่อไรตอนนี้เลยอ๋อบริการแบบนี้ที่นี่ไม่มี ไม่มีบริการแบบนี้แต่รับ so อ well> ิสลามหลังจารับอิสลามนี่นะก็นิก้าไปเลยซึ่งมันมันมันไม่ใช่นะแน่นอนะมันไม่ใช่อย่างน้อยเนี่ยเราเราให้เกียรติการเลือกของเราเออมันมีการเลือกมันมีศักดิ์ศรีมันมีความสำคัญเปลี่ยนศาสนานี่ไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องเล่นนะเปลี่ยนศาสนานะ วัฒนธรรมความเชื่อจารีตประเพณีโอ้โหชีวิตนะทั้งชีวิตเชื่อไหมถ้าเราปล่อยให้ผู้คนเนี่ยได้เห็นคุณค่าของอิสลามแล้วก็สมนะัครใจน่ะสมัครใจเนี่ยผมเชื่อเหลือเกินเชื่อเหลือเกินนะนะนะคนจะเข้าอิสลามมากกว่าคนจะเข้าอิสลามมากกว่า เพราะนี่ขณะที่อิสลามเนี่ยไม่มีไม่มีทุนทรัพย์ไม่มีทุนในการที่จะเชิญชวนในแอฟริกานี่มุสลิมไปนี่ไม่มีข้าวสาลีไม่มีอาหารไม่มีสตดุ้งสะดังไปแจกไม่เหมือนคนอื่นไปนี่น่ยพร้อมโอ้โหสร้างคลินิกสร้างมหาลัยสร้างโรงเรียนสร้างอะไรสารพัดแต่ประกอบดอิสลามในการเผยแพร่นาหน้าไม่มีทุนไม่มีทุนทรัพย์ไม่มีอะไรเลยแต่ ปริมาณเปอร์เซ็นต์คนที่รับอิสลามเนี่ยนหน้าเพราะอะไรอิสลามนี่มีมีแรงดึงดูดอยู่ในตัวอยู่แล้วมันเหมือนการตลาดคนที่มีสินค้าดีๆเนี่ยและมั่นใจในสินค้าดีของตัวเองอ่ะนะไม่ต้องทําการตลาดเยอะไม่ต้องพรีเซนต์เยอะไม่ต้องพรีเซนต์เยอะพี่น้องสังเกตนะในมี มีสินค้าหลายอย่างอะนะไม่มีโฆษณาแต่ขายดีขายดีเพราะอะไรมันของดีเ่มันต้องมีโฆษณาเหมือนกันแหละอิสลามนี่เป็นของดีเราแค่นำเสนออิสลามตามข้อที่จริงของอิสลามมานะคนคนเอาแน่แต่มันมีหลายอย่างที่สินค้ามันไม่ดีเน่คนก็ต้องปโปรโมตต้องพิเซษเลยอขยันขยอย ไม่ต้องหรากสำหรับอิสลามเนี่ยไม่ต้องสำหอิสลามเนี่ยบอกคือบอกเล่าอย่างเดียวมีนะมีอิสลามแล้อิสลมามกีอย่างนี้ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเกินไม่ต้องเลยเถิดหรเกินเหตุผล